4. โภชนวัตส 4. กาณา ม, มาตุสิกขาบทว่าเด็กมารดาของนางกานาเรื่องอุบาสิกามารดาของนางกานาสองสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นอุบาสิกามารดาของนางกานาเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใส นางได้ยกทิดาชื่อกานาให้ชายหนุ่มผู้หนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งต่อมานางกระดาได้มาบ้านมารดาด้วยกรณียกิจบางอย่างฝ่ายสามีของนางกานาส่งข่าวมาถึงนางกานาว่าจงกลับมาเถิดกานาฉันต้องการให้กานากลับครั้งนั้นมารดาของนางกาณาคิดว่าการที่กานากลับไปมือเปล่าดูกะไรอยู่จึงทอดขนมให้เมื่อขนมสุกภิกษุผู้ถือเที่ยวบินธบานเป็นวัดรูปหนึ่ง เข้ามาถึงบ้านมันดาของนางกานามันดาของนางกานาจึงสั่งให้ถวายขนมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นได้ออกไปบอกภิกษุรูปอื่นมันดาของนางกานาก็สั่งให้ถวายขนมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นได้ออกไปบอกภิกษุรูปอื่นมันดาของนางกานาก็สั่งให้ถวายขนมแก่ภิกษุรูปนั้นจนกระทั่งขนมที่เตรียมไว้หมดสิ้นไปแม้ครั้งที่สองสามีของนางกาาก็ได้ส่งข่าวมาถึงนางกานาว่า จงกลับมาเถิดกานาฉันต้องการให้กานากลับแ 2, ม้ครั้งที่2มารดาของนางกานาคิดว่าการที่กานากลับไปมือเปล่าดูกะไรอยู่จึงทอดขนมให้เมื่อขนมสุกภิกษุผู้ถือเที่ยวบินทบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเข้ามาถึงบ้านมนารดาของนางกานามารดาของนางกานาจึงสั่งให้ถวายขนมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นได้ออกไปบอกภิกษุรูปอื่นมารดาของนางกานาก็สั่งให้ถวายขนมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นได้ออกไปบอกภิกษุรูปอื่นบรรดาของนางกนาก็สั่งให้ถวายขนมแก่ภิกษุรูปนั้นจนกระทั่งขนมที่เตรียมไว้หมดสิ้นไปแม้ครั้งที่สามสามีของนางกานาก็ได้ส่งข่าวมาถึงนางกานาว่าจงกลับมาเถิดกานาฉันต้องการให้กานากลับหากกานาไม่กลับฉันจะพา ย, ยิงอื่นมาเป็นภรรยาแม้ครั้งที่สามบรรดาของนางกานาคิดว่าการที่กานากลับไปเมือเปล่าดูกระไรอยู่จึงทอดขนมให้ เมื่อขนมสุกพิกษุผู้ถือเที่ยวบินธบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเข้ามาถึงบ้านมารดาของนางกาณามารดาของนางกาณาจึงสั่งให้ถวายขนมแก่พิกษุรูปนั้นพิกษุรูปนั้นได้ออกไปบอกพิกษุรูปอื่นมารดาของนางกาณาก็สั่งถวายขนมแก่พิกษูรูปนั้นพิกษุรูปนั้นได้ออกไปบอกพิกษูรูปอื่นมารดาของนางกาณาก็สั่งให้ถวายขนมแก่พิกษุรูปนั้นจนกระทั่งขนมที่เตรียมไว้หมดสิ้นไป คั้งนั้นสามีของนางกนาได้พาหญิงอื่นมาเป็นพระยานางกนาได้ทราบข่าวว่าสามีของตนได้พาหญิงอื่นมาเป็นภรรยาจึงได้ยืนร้องไห้ครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จไปถึงบ้านของอุบาสิกามารดาของนางกานาครั้นถึงแล้วได้ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายลําดับนั้นมารดาของนางกนาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงอาสนะครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาส พระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับมันดาของนางกาณาผู้นั่งหน้าที่สมควรดังนี้ว่านางกานา r r a t i ให้ทําไมอุบาสิกามารดาของนางกาณาจึงกล่าบทูลเรื่องราวนั้นให้ทรงทราบลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้มันดาของนางกาณาเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อานหารแก้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถา แล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จไปเรื่องอุบาสิกามาดาของนางการะดาจบ